ที่ชื่อว่าชายได้แก่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่รู้เดียงสาสามารถยืนเคียงคู่กันสนทนากันได้คำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองคือชายและภิกษุณีคำว่ายืนเคียงคู่กันคือยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอบำกาจิตี คำว่าหรือสันทนากันคือยืนกระจายอยู่ในระยะช่วงแขนชายต้องอบวบปาริย ต, ตียืนเคียงคู่กันหรือสันทนากันทนระยะช่วงแขนต้องอบวบทุกกฎยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันกับยักษ์เปรตบันดอหรือสัตวิริชานตัวผู้ที่มีร่างค้ายมนุษย์ต้องอบวบทุกกฎ